มีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยนะแต่ในส่วนของการปฏิบัตินั้นเราจะเอาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเองจริงจริเช่นในขณะนี้เรารู้สึกไปไงหนักเหนื่อยเมื่อยเพียร้อนอบอ้าวหรือสบายไม่สบายนี่เป็นเวทนาทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เวทนาที่ปรากฏในในกายเราเนี่ยเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นสุขเวทนา ทุกเวทนานะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือทุกเวทนาปรากฏทีนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถึงจะถูกถ้าเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกความรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ได้ฝึกการเฝ้าดูบ่อยๆเราก็จะไปสําคัญเอาความทุกขเวทนาที่เกิดในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเราตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกขาดสติแลยขาดสติทีนี้เราจะดู อย่างไรในฐานะที่ว่ามันเป็นทุกขเวทนาให้ดูทุกเวทนาสักต่ว่าเป็นทุกขเวทนานสักดะว่าได้ไงถ้าสติอะไไม่เข้มแข็งเราก็หลงไปเป็นกับมันบ้างหลงไปยึดเอเวทน า, าทุกเวทนาเป็นเราบ้างตัวนี้นทุกก็เกิดแต่ถ้าเรามีสติเราก็ไม่เข้าไปเราเข้าไปดูเฉยๆดูห่างๆอย่าไปดูใกล้ๆเหมือนไฟเนี่ยเพราะเวทนามันเหมือนกองไฟถ้าเราเข้าไปใกล้เปไงร้อนถ้าเราอยู่ห่างๆไม่ร้อน เพราะนั้นวิธีการเฝ้าดูทุกเวทนาคืออย่าเข้าไปใกล้เกินไปดูอยู่ห่างๆในห่างอย่างไรเพราะมันไม่ใช่เป็นวัตถุถ้าเป็นวัตถุมันสามารถจะห่างได้ใช่ไหมแต่นี่เป็นนามธรรมจะห่างแบบไหนอคือในส่วนของร่างกายของเราเนี่ย ถามว่ามันมีทุกทุกส่วนไหมหรือทุกในบางส่วนความรู้สึกไม่สบายในบางส่วนเป็นบางส่วนใช่ไหมเช่นเรานั่งนะ่มันก็ก็ทุกแต่ไอ้หลังบางเอวบางก้นบางขาบางใช่ไหมแต่ในส่วนข้างบนเนี่ยมันก็ปกติใช่ไหมเราก็เอาขนาดของจิตนั้นมาอยู่กับตัวปกติตรงนี้ตัวนั้นก็รับรู้ไม่ใช่ลืมรับรู้แต่ยาวเข้าไปอยู่ในใกล้มันให้อยู่ห่างหางหัวนี่ปวดไหมไม่ปวด ไหล่นี่ปวดไหมไม่ปวดอ่ะแต่บางคนปวดแหมรู้สึกเยอะเลยเกินนะทั้งตัวเลยทุก ม, กมากเลยทีเนียอันนี้ถือว่าอันฟ r t u n a t นลี่กัเลยทุกเวทนาท่วมไฟท่วมเลยแต่ถามว่าผมเนี่ยมันเป็นงไงปวดไหมไม่ปวดใครปวดถึงเส้นผมด้วยกับเต็มทีแล้วน ะ, ะเต็มทีแล้วเพราะนั้นเอาใจไปไว่าในส่วนที่มันไม่มีทุกข์อะ ไอ้ส่วนไหนที่มันไปทุกข์อย่าเข้าใจเขาไปใกล้มันนะอันนี้คือวิธีถอยห่างออกมาถ้าเอาใจไปจี้ตรงนั้นโอ้โหมันก็ไอ้ความไฟตรงนั้นก็เหมือนถ้าเข้าไปอยู่ใกล้กองไฟไฟมันก็ไหม้เราใช่ไหมแต่ที่นี้เราก็เห็นว่ามันลุกมากเกินไปเราทําไงก็ดับมันเสนหน่อยวิธีดับไฟทุกขเวทนาในกายทําไงก็ขยับเขยืน้นเพื่อนไหวให้มันคลายเสนหน่อยมันก็ดับแล้วใช่ไหม ก็คลายแล้วแต่ถ้าบางคนยมีวิบากกรรมขยับเคเลื่อนเท่าไหร่มันไม่ยอมคลายนั่นหมายความเป็นวิบากกรรมเพราะเราทําผิดซ้ํซากมานานเช่นมันปวดหลังอย่างี้นะพลิกแล้วเปลี่ยนแล้วบิดแล้วเองแล้วมันก็ยังปวดอยู่นั่นสแสดงว่าเป็นวิบากกรรมถ้าเป็นวิบากกรรมมันไม่หายง่ายๆเพราะเราได้รับผิดตรงนั้นมานานเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมเราสั่งสมความผิดพลาดมานานความผิดพลาดที่เราสั่งสมกายมาเป็นวิบากกรรมที่แก้ยากนะ แต่ถ้าหาว่าคนไหนที่ไม่สั่งสมมิบากรรมไหม้ความปวดตรงไหนแก่ตรงนั้นไม่สบายตรงไหนแก่ตรงนั้นมันเรื่อยไปนั้นเขาเรียกแก้กรรมตรัวเองได้การแก้กรรมตรัวเองไม่ให้คนอื่นมาแก้นะเราแก้เองใครเป็นผู้แก้สติปัญญาของเราเองที่เราสั่งสมเนี่ยที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรายิบยิ่งรีบปฏิบัติเท่าไหร่นะโอกาสที่จะแก้กรรมทั้งเก่าทั้งใหม่ของเราจะทําได้เร็วขนาดนั้นเพราะตัวสติปัญญาเนี่ยมันจะเข้าไปแก้ทุกอย่างแก้กรรมได้ป้องกันกรรมได้แต่ถ้าต้องเป็นสัมมาสตินะ ต้เป็นสัมมาปัญญาแต่นั่นไม่ใช่สัมมาสติสัมมาปัญญาแล้วมันก็กรรมเก่ากรรมใหม่ก็ผสมปนเปเราก็ไม่พ้นจากกรรมทีนี้แล้วกรรมตัวนี้ก็ทําให้หลงลืมตัวเองนีแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนแก่บางคนรู้สบายจนตายไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมคนแก่บางคนป่วยตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนตายก็มีเพราะอะไรว่ากรรมเยอะไม่ใช่กรรมเยอะหลงลืมตัวเองเยอะนั่นแหละมันนั่ละ ก, ก่อให้เกิดสั่งสมกรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนมาจเจริญสติปั๊บเริ่มได้สติ อย่างพ่อใหญ่รถนั่งข้างหน้าเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ก็ทุกเยอะเลยนะทุกขนาดไหนทุกขนาดไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่ในโลกเนี้ขนาดขับรถแหกโค้งลงเขาไปตั้งไกลแล้วดันไม่ได้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยพ่อใหญ่รถข้างหน้าไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแกอยากจะตายจากโลกเนี้ยแต่บุญแกก็มีใช่ไหมพ่อใหญ่รถเออรถ ล, <c oughs> ล, ลงเขาไปตั้งไกลเขาไปลากขึ้นมารถเละหมดเลยแต่พ่อใหญ่รถรอดแกมีบุญอยู่ ก็เลยหลังจากเยียวยารักษาเข้ามารักษาได้ประมาณสักถึงเดือนหรือเปล่าไม่ถึงนะนะเดือนแล้วเนา ะ, ะแล้วก็มาหาธรรมาได้สองอาทิตย์นี่ยพอมาปฏิบัติได้สองอาทิตย์ เ, ยออยเห็นรูปเห็นนามร้องไห้ก า, กากเลยเออเห็นไหมแค่สองอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาได้แก่ตั้งใจจริงขนาดว่าป่วยไม่สบายขนาดเป็นภาราไลัยไปข้างหนึ่งแต่ก็มาแก้มาฟื้นมาพาออกกำลังกายทุกวันนี่คือกรรมใหม่มาสร้างกรรมดีกรรมใหม่กรรมเก่าค่อยๆถูกหายไปหายไป ถามว่าเดี๋ยวนี้อยากได้อีกไหมพ่อยลต์อ้ไม่อยากายได้เลยเสียดายชีวิตเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนขนาดอยากได้ขับรถแหกโค้งลงมาเลยนะฮะอดี้เขาไปเจอใส่เขาก็ได้ลากขึ้นมาจากนุน่นลงไปลึกมไหมพ่อยลต์ <15. S 1> พูดนะอกจากทางนู้นไปสิบห้าฟิตเขาลากขึ้นมารถเล่มุดแล้ ว, วอ่ะเรื่องคดีฮะเขาไม่เอาทิ้งเลยรถเนะี่ยเขาลากตัวไปส่งบ้านก็อ ย, อยังรอดอยู่ได้นะ <laughs> ดังนั้นเองสติมันช่วยได้จริงๆนียอันนี้หลักฐานนะไม่ใช่มาพูดกัน เ, เล่นนะแล้วน้นจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราเริ่มได้สติวันไหนเนี่ยมันจะช่วยลดกรรมตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ว่าเราตั้งใจไหมเราจริงใจไหมเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกทุกนาทีทุกเวลานาะทีกันยกมาอย่าไปเสียดมเสียดายอย่าไปกลัวเจ็บกลัวปวดทามันไปเลยใครจะว่าเราบ้าเราบอย เ, เราเพียนก็ช่างมันนะเราเท่านั้นเราจะรู้เราเองนะ อามาทำมาได้ยี่สิีใครจะว่าไงก็ไม่ได้เพราะมันเราเห็นได้ตัวเองว่ามันรักษาเราได้จริงๆแต่มาถ้าหากว่าไม่ได้ตัวนี้มาปฏิบัติไม่ได้รอดมาป่านนี่ยป่านนี้ตายไปแล้วเพราะมันโดนอุบัติเหตุตั้งหลายครั้งแต่มันก็รอดทุกครั้งอะอุบัติเหตุขนาดไหนขนาดอยู่ครั้งหนึ่งเอาครั้งหนึ่งมันน่าจะตายก็คือไปอบรมเนยียนพระร้อนอยู่ที่อําเภอบ้านโปวงราชบุรีตอนกลับตอนเสร็จโครงการเดือนหนึ่งเนี่ยนั่งรถกลับขึ้นกรุงเทพนั่งรถเก้าเก้าสมัยนั้นนะ ทีนี้รถเข้ากรุงเทพในวันอาทิตย์เนี่ยมันแข่งกั น, นใช่ไหมแข่งกันเต็มที่ที่ถนนผ่านระหว่างนครปฐมกบกรุงเทพ ม, มันถนนส่วนใหญ่ผ่านท้องนาใช่ไหมมันก็ยกถนนสูงอะ่ะทีนี้ไอ้รถกกล้ามก็วิ่งแซงรถสิบร้อดยดิที่แซงไปได้ครึ่งคันมีสิบร้ออีกคันหนึ่งแซงขึ้นมาไปไงโอ้โหไอ้ก้วกล้ามก็หักลงถนนไปเลยพลิกตลกไปหลายตลกเอามาก็กระโดดไปกระโดดมาอยู่ในรถนั่นเอง ไม่ได้ไม่ได้มันถูกไม่รู้นะมันเกิดสติขึ้นมานะมันเค้ปริงตัวออกมาจากที่แล้วก็ห้อยหนไปตามพอพอมันหมุนจนหยุดแล้วนี่คนก็ตายกันไร น, นี่แล้วน่าอามาเห็นด้านหน้ากระจกมันมันแตกใช่ไหมขัวาบาดขวอปวดเดินออกด้านหน้าขึ้นรถคันใหม่ไปเลยเฉยเลยไม่เป็นไรตอนเช้ามาหนังสือพิมพ์รถเก้าเก้าประสบอุบัติเหตุแสงเออแสงรถสิบล้อไม่พ้นพลิกข้างถนนคนตายสามสิบสี่ศุก คนในรถประมาณหกสิบกว่าคนตายไปสาสิบวคนนอกนั้นบาดเจ็บหมดอาจะมารอดมาได้เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นตาตายแต่เรารอดมาด้วยสตินั่นแหละดังนั้นตั้งแต่เจออุบัติเหตุหลายๆครั้งมันไม่เป็นไรเนี่ยอัศจรรย์์ว่าสตินี่คือพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าเป็นธรรมดาคนเราทําอะไรใหม่ๆมันย่อมจะลังเลใช่ไหมก้ากล้ากลัวกลัวเอาบ้างไม่เอาบ้างบางคนก็ทําท่าจะกลับบ้านในเมื่อวานแล้วบางคนก็ เพราะเพราะไม่แน่ใจนะฮะเราก็ทำท่าจะกลับอีกหลายคนอยู่แล้วแต่ว่ายืนยันว่าเสียดายมากมากเลยถ้าหากว่ากลับนะเพราะมันมีอะไรที่ที่เราจะต้องศึกษาอีกเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของเวทนาถ้าหากว่าเราเข้าใจเวทนาดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราเลยแทนที่มันจะเป็นไฟใช่ไถ้าเราเข้าใจมันบดีเวทนาก็คือไฟเผาเราให้แก่ให้เจ็บให้ตาย แต่ถ้าเรารู้จักดับไฟรู้จักดับเวทนาเป็นเนี่ยเวทนาตัวนี้ก็จะเป็นไฟเราใช้ในบางยามเช่นเราต้องการหุงข้าวตุมแกงใช้ไฟใช้มาแล้วไปไงปิดไว้เราต้องการแสงสว่างไปไงใช้ไฟใช้แล้วไปไงปิดไวฉันใดก็ดีเราสามารถจะเปลี่ยนแรงทุกเวทนาในตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภูมิธรรมได้ที่บอกไปจนเช้าภาษาลบุตร เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศในทางปัญญาเพราะท่านใช้เวทนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเพราะท่านได้ฟังเวทนาปริกหาสูตรจากพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะแปลงตัวทุกเวทนาให้เป็นแสงสว่างปัญญาอย่างไม่จบสิ้นเลยเห็นไมเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ า, าคนไหนเข้าใจใช้ทุกเวทนาให้เป็นปัญญาได้นะคนนั้นปัญญาจะเป็นเลิศเลยล่ะนะ อาตมามีปัญญาแค่นิดหน่อยเพยังมาพัฒนาได้ขนาดนี้นะถ้ามีปัญญามาแต้งต้นเหมือนกับลูกท่านหล้นเธอที่เรียนมาดีๆนะก็จะมีปัญญามากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาอย่าให้ปัญญาตัวนี้เสื่อมไปแต่ทุกขเวทนาเนะี่ยทุกคนมีแน่นอนแต่ว่าจะมีวิธีแปลงได้ดีหมัิลี้งวิ about t h uh, the bodily feeling especially that mostly t e Why we are sitting like this? We have many many negative feeling, like hot feeling, painful feeling, stiff feeling, come to dominate our body. You try to heal like this, like that, try to relax like this. Never end. You see that we call uh, suffer feeling or negative feeling come to burn up like a fire. Like a fire, burn at all the time. How can we transform such a, a hot feeling or negative feeling to be positive feeling? Transform feeling to be wisdom. Transform the fire to be the light, like the light it s cause generate from the the fire. Okay, uh, from the generator, the fire can be the light. Transform the light, let it from electrical power to be the cooker fire. You see. So the same thing. If you can transform your negative feeling, negative sensation, negative emotion to be wisdom, that you have a lot of wisdom, can use such a wisdom come to eradicate the heart of suffering, come to see the heart of suffering. So how can we do? The practice meditation, practice movement meditation. Okay, for beginning, maybe you know nothing about it. You know nothing deeply, but try to learn, try to practice more and more. One day you will see such a truth by yourself. But you need to keep strong p a t i e n t e s p e c i a l l y about the people, Western people, the p a t i e n t maybe uh, not strong exactly. But if you try to develop again and again, maybe stronger, like uh, you exercise. If you try to exercise every day, you will be healthy and stronger. The same thing, if you try to do the practice meditation every day, you are mental exercise instead of only physical exercise. But you do the mental exercise, you are mind will be stronger, will be strong patient, and then you can keep continuity of the practice for whole day, for whole life. Because you have the bodily movement all the time, how can you have bodily feeling all the time? If you have the inside wisdom, you can use such a transform it to wisdom. More and more, become the light. You m i g h become a light, a lightning. Ah. Yeah. t h e r n at this point, I want to give encouragement that this is not a matter that can be discussed. ูเราเองเรื่องนี้ไม่ได้เมคอัพต้องเป็นในเนื้อในตัวของเราจริงๆถึงจะพูดได้ต้องมีอยู่ในในเนื้อในตัวในใจของเราจริงๆถึงจะพูดได้ถึงจะเห็นได้ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้แต่ว่าต้องทำเหมือนกันนี่แหละทำแบบซ้ํซๆ ำ, ซ, ำ ซ, ซากซากเบื่อง่ายก็ทำไปทำไปทมาแล้วมันสนุกเหมือนเราเล่นเกมอะตอนแรกเล่นไม่เป็นเไงสนุก โอ้หน่าเบื่อมากแค่ไปยืนดูเขาก็น่าเบื่อแล้วไม่อยากดูแล้วใช่ไหมแต่วันไหนมันดูเป็นขึ้นมาเป็นไงโอ้โหเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่อยากหนีเลยใช่ไหมอย่างเล่นไพ así, ่เล่นสนุกเกอร์หรือเล่นเกมอะไรก็ตามนะตอนแรกเรามาดูไม่รู้เรื่องเล่นก็ไม่เป็นด้วย B, พอเล่นเป็นแล้วทีนี้ไม่ยอมเลิกเหมือนการการปฏิบัติเหมือนกันตอนแรกก็ปฏิบัติยังไม่เป็นยังไม่เข้าใจปฏิบัติไปก็ฝึดฝืฝืนฝืนใช่ไหมกล้า ก, กลัวกลัวแต่พอมันเป็นแล้วโอ้โห มันก็คือที่พึ่งของเราไม่สนุกอ่ามันต้องการทําเรื่อยๆแม้แต่หลับฝันก็ยังฝันว่าได้ทําเลยว่างานขนาดนั้นน่ะมันสนุกขนาดนั้นใช่ไหมอยู่มอดอยู่มอดยังยังไม่ฝันอาจารย์เพราะฉะนั้นนั่นแหละต้องต้องพยายามนะต้องพยายามดังนั้นเรื่องนี้สนุกมากๆเลยถ้าหากว่าคนไหนปฏิบัติ เทาไรเธอยังไม่สนุกนะก็แสดงว่ายัางไม่เข้าใจแต่วันไหนถ้าวันไหนเข้าใจแล้วโอ้มันสนุกมันสนุกนะใครมาห้ามไม่อยู่แล้วเนะเอาเงินมาเอาจ้างคุณล้านคุณไม่ต้องทําเรื่องนี้ได้ไหมเนะี่ยโอ้ไม่ได้มันกลายเป็นชีวิตของเราแล้วนะดังนั้นเองหลวงพ่อเทียนท่านถึงการันตีว่าใครมาทําเรื่องนี้นะเกินสามปีแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนะท่านบอกว่าตัดคอท่านเลยก็ขนาดนั้นเลยนะประการหน้าน่ากลัวมากเลย I talk with my master who enlightened about it. If anyone come to observe this technique after three years, you know nothing. He can what? How h a n what? ถ้าว่านั้นว่าให้ตัดคอได้ที่คันนี้มีคันคัดที่เชิด if you know n o t h i n g if you know n o t h i n g about this technique h t e you can cut it because he, he proved it and enlightened before and showed it nowadays in Thailand everywhere p r o v e this way the movement meditation move the hand like this everywhere you see. because we can prove by u r s e l f when you practice only two day or seven day s only you can uh, prove it By self, but do it by sincerity. It will important quality sincerity or trustes, and follow it by uh, sincerity and practice. So about it, you try to to study it. Don't believe it. You don't allow to believe it. Because Buddhism don't teach us to believe it with our wisdom. Don't teach us to accept it with our wisdom. Until we develop the wisdom and can prove such a truth by ourselves, we can see such a truth by ourselves, that you accept it. You accept yourself, so not accept the Buddhism, yeah. accept the truth. นอนนั้ น, นเรื่องนี้จึงไม่อยากจะให้คนเราเนี่ยที่เป็นคนไทยคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่อยากให้พลาดเรื่องนี้แม้แต่ฝรั่งบางค่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหไปปฏิบัติกันเยอะนะไปพิสูตรกันเยอะแล้วที่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้มีฝรั่งไปสอนได้ฝรั่งชาวเย สอนดีกับพระด้วยแล้วต่อไปนักฝรั่งเยอะตั้งสํานักสอนเราต้องได้เสียค่าคอร์สนะคอร์สแพงด้วยนะอะก็แปลกคนเราถ้าไม่ได้เสียค่าคอร์สแพงนี่ไม่ค่อยเข้าปฏิบัติเท่าไหร่ถ้าเปิดฟรีนะอะของฟรีไม่ค่อยเอาเท่าไหร่เมือมงไทยมีแล้วฝรั่งแล้วไปเปิดสอนฝรั่งอยู่ที่ภูเก็ตชาร์ตคอร์สแพงด้วยนั่นเองเราต้องให้ประมาทนะะเอายังไงใช่หรือเปล่าน้องแบบเนี้ย ไม่เห็นเขาทํากันนะหลวงพ่อนั่นก็เขาก็สอนแบบนั้นหลวงพ่อใช่อันนั้นก็เรียกว่าเรามีสิทธิคิดได้แต่ว่าอย่าลืมพิสูจน์อันนี้พิสูจน์ให้ถึงนะพิสูจน์มาไม่ถึงแล้วบอโอ้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ต้องพิสูจน์ให้ถึงมายก็ทําให้มันเข้าใจง่ายๆแค่นั่งยกมือนะ่ะแล้วก็เวลาจะจะทําอะไรเขากําหนดรู้ไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บความรู้สึกไปเรื่อยๆกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ่ะเพราะทุก ทุกอิเดียบุตรเดี๋ยวทำได้เลยอ่ะการยกการก้าวกันถ้าในช่วงไหนมาทําอะไรก้าวไปไหนถ้าหากว่าไม่ได้กําหนดรู้นี่เสดายมากเลยต้องกลับไปตั้งต้นใหม่เอาเมื่อกี้แกพลาดมาไงลืมเดินได้ไงกลับไปตั้งต้นใหม่ก็เดินใหม่ อ, อ้อต้องเดินแบบนี้นะมันถึงจะไม่หายหกตกหล่นไอ้สิ่งที่เหมือนเราเก็บทรัพย์อ่ะตามเก็บมาเลยถ้าเราเดินไปไหนทําอะไรโดยที่ไม่ได้กําหนดรู้เนี่ยเหมือนด้ว่าเรารัพย์เราตกหายไปต้องตามเก็บใหม่เรียกว่าอาริยาซัพย์ เรียกว่าอริยทรัพย์ถ้าหากว่าเราสามารถที่กําหนดรู้นี่ไปแล้วทรัพย์ตัวนี้ก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้เราเบาสบายแล้วสามารถที่แบ่งปันประสบการณ์ที่มันเห็นเห็นอยู่นี่ให้กับคนอื่นได้อย่างมั่นโ อ, อมั่นใจนะและชีวิตนี้เราไม่ต้องการอะไรเพราะเรารวยแล้ะรวยอะไรรวยความสุข เ, เราก็เห็นเพื่อนทุกอยู่ก็อดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปบอกกันน ะ, ะไปบอกกันแล้วก็ เงินทองเขาให้มาแล้วก็ใช้ใจ่ายไปตามเรื่องก็ให้คนอื่นต่อบ้างช่วยเหลือคนอื่นไปอ่ามันมีมาก็ว่ากันไปไม่มีก็ไม่ปไปเลยนะแต่ว่าบางแห่งคนที่อยากปฏิบัติแล้วเนี่ยยังติดขัดอันนั้นนี่เราช่วยเขาด้วยนะอนะ่อย่างโยมมารีสาที่มาเนี่ยโอ้ถ้าใครอยากปฏิบัติแกสนับสนุนเต็มที่เลยซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก็เอาขนาดนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะเราเห็นทางเราเห็นผลแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คนที่เขามีศรัทธาอยากจะทําถ้าเขาทําจริงนะ เราช่วยเต็มที่เลยนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะบอกว่าคนไทยคุณเราของเราถ้าหากฟังกันรู้เรื่องเนี่ยไม่ควรจะพลาดเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแต่หักอัตตามานะทิฐิเราลงบ้างเท่านั้นแหละแล้วมันจะรับได้ง่ายๆแล้วก็เราจะศึกษาของใหม่ก็ต้องวางของเก่าไว้ก่อนถ้าไม่ยอมฟังของเก่าก็จะบปเอาของใหม่ปนเปย์กันหมดเหมือนไอ้แก้วน้ําที่ใส่ไอ้น้ําจื้ออยู่เนี่ยถ้าเราจะกินกาแฟแล้วไม่เทน้ำจื้อออกทีก่อนนะ ไอ้รถกาแฟมันเป็นรถยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมหรือรอยากจะกินนมสดอ้าแก้วยังมีกาแฟอยู่เนี่ยไม่ล้างกาแฟออกเสีก่อนเอานมสดผสมเข้าไปไม่รู้มันเป็นรถนมหรือรถกาแฟเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเราจะทดสอบการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องวางอย่างอื่นไว้ก่อนอย่ามาปนกันให้เข้าใจชัดๆก่อนพิสูจนดูแล้วทําลยแล้วมันไม่เข้าท่าเออไม่เอาก็ได้กลับไปใช้ของเก่าก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งเนี่ยมันจะต้องมีดีในตัวของมัน แต่เราจะต้องพิสูจน์เสียก่อนเราจะพึ่งปฏิเสธว่ามันดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่นะพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทําท่านบอกว่าให้พิสูจน์เสก่อนก่อนที่จะปฏิเสธหรือ ย, ยอมรับอะไรนะถ้าเราไปาไม่ได้พิสูจน์ไปยอมรับก็ผิดไม่ได้พิสูจน์ไปปฏิเสธก็ผิดอีกนะเมื่อพิสูจน์ชัดเจนแล้วดียังไงไม่ดียังไงออกก็เข้าใจนะดัง น, นั้นในแง่ของการปฏิบัติต้องเข้าใจเวทนาชัดชัด เพราะเวทนาตัวนี้มันเป็นเหตุหลายที่เดียกันในปฏิสุบัติในเวทนาตัวนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับตัญหาในขันหา้าในเวทนานั้นก็ไปเกี่ยวข้องรูป ก, กับนามนะฮะในสมาบัติขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเวทเวทเวทสัญญาเวทยิตฐนิโรธก็ไปเกี่ยวข้องสมาบัติขั้นสูงอีก ส, สัญญาเวทยิตฐนิโรธอะเกี่ยวข้องหลายที่ทีเดียวในเวทนา นั้นเอามาถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมกันนี้แก่พระสารีบุตรท่านเห็นทางว่าพระสารีบุตรนี้จะรับได้แล้วเอาไปใช้เป็นแล้วในที่สุดท่านก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงๆนะโอเคอีเดอร์ไอติ i อีท้ายว่าส์โอเวอ now any question please <c oughs> อ๋อไม่เราถูกเดี๋ยวเขาจะขายคนอย่าลดเกินไป <laughs> เอาว่าเอาว่าเอาแค่นี้ก็การันตีพอแล้วเนาะอันนี okay. <c oughs> uh ้ค่อยเชิญผิ e โอเคที่คุณหมอบอกว่าปกติเวนาเข้ามาเพราะว่าเราทอายุทััเกิดเวนาถามว่า อ่าก็คืออย่างงี้นะเวทนามีสองอย่างคือเวทนาทางกาย<ช>เกิดจากตาหาูจมูกลิ้นกายกระทบกันนะแล้วก็เกิดเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเกิดจากอารมณ์มกระทบจิตเพราะฉะนั้นไอตัวเวทนาตนัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมต่อเรียกว่าสัมผัผสภาษสก็ให้เกิดเวทนาแล้วเวทนาตนัวนี้ถ้าสติมาไม่ทันมันก็กลายเป็นตัณหาอุปทาน ถ้าทัศสติมาทันเวทนาตัวนี้ก็กลายเป็นปัญญาพอารมณ์จะเกิดมันก็ต้องมีการกระทบใช่มีการกระทบแต่คำว่าทบในที่นี้คือกระทบสัมผัสนะไม่ใช่ว่าคำพูดกระทบนะเช่พพ น, ใ น, ในรูปชายลูกกระทบตาเห็นนะเข้าใจน ะ, ออะโอเคก็เป็นนั้นว่าหมดเวลาแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้มา ช่วยกันศึกษาเรียนรู้เรียกว่าธรรมะขั้นละเอียดด้วยความตั้งใจแล้วเมื่อเอาไปปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามให้ทําความเข้าใจเพราะเวลาเรามีค่าถ้าทําไปได้วยความไม่เข้าใจทำไปได้วยความละล้าระ ล, ะ ล, ะละังทำไปได้วยกล้ากลัวๆเนี่ยมันเสียเวลาทําด้วยความมั่นใจเสมอแล้วเราก็จะเข้าถึงตัวเศรษธรรมนั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านทีน